นั่นก็คือเป็นเหตุให้ปัญญาจเจริญเมื่อปัญญาจเจริญแล้วก็จะละอวิชาคือความไม่รู้เสียได้ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิ ช, ชามีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสนาภิกษุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจิตเจริญแล้วจะละราคะได้ภิกษุททั้งหลายวิปสัสนาเล่าเมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาจเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชาได้แล